เมื่อวันที่ห้างานหลวงปู่อ่อนสาหลวงพ่อเข้าไปใกล้ท่านตอนที่ท่านขึ้นธรรม์เห็นท่านขากเสล็จออกมาเป็นสีเขียวหลวงตาทำไมขากเสล็จออกมาสีเขียวมันแสดงว่าเป็นวัดมานานแน่นี่วะแต่หลวงพ่อคิดในใจเท่นั้นอวะเพราะหลวงพ่อชอบสังเกตเหมืงั้นเถอะถ้าเป็นลักษณะนี้หายยากเน้ไอแบบนี้ ลุงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรแต่พอมาเมื่อวานเนี่ยพวกพอโอโรงพยาบาลศูนยะ์นัดโทมาว่าลุงตาไม่ค่อยสบายจะเอาอยัางไงจะนิมนต์ลุงตาไปเข้าโรงพยาบาลไหมเข้าโรงพยาบาลศูนยะ์โรงพยาบาลศรีนะครินหลวงพ่อก็เลยบอกเลยว่าหลวงพ่อนะเคยอยู่กับลุงตามานาน และการรู้จักอุปนิสัยของท่านพอสมควรจึงจะไปอ่านออกทั้งหมดกัรู้จักแต่ลุงตาคงไม่ไปโรงพยาบาลแน่ที่ไปนอนโรงพยาบาลคงไม่ไปแน่ถ้าไปชั่วคราวนะ่ะ อ, อาจจะแต่เราขอมีเหตุผลท่านอาจจะจแต่จะไปนอนโรงพยาบาลท่านไม่ไปแน่มีทางเดียวเท่านั้นขอให้ทีมแพทย์ทีมหมอเขาว่าเป็นทีมทั้งสีนคารินด้วย ทั้งอุดอรด้วยทั้งสิริราชด้วยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะองค์หลวงตาเนะี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเนะี่ยหลอมข้อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ปรึกษาจะวางยาอะไรจะถวายยาอะไรกับองค์ท่านนั่นแหละมารักษาท่านที่วัดเลยอันนั้นจะดีแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามคิดว่า จะรักษาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเดียวหรือกลุ่มเดียวอย่างเนีน้ถ้าว่ารักษาลงตาหายก็เออดีเป็นบุญเป็นกุศลเยติศัพท์เ ฟ, ฟื่องฟูลูกศิษย์ลูกหาเชิดชูบูชาแต่ถ้ารักษาไม่หายอะไรนีน้อาการซุดลงไปเรื่อยๆละ่ะลงตาเป็นคนของโลกไดอเป็นคนทั่วโลกนะ เป็นคนของคนทั่วโลกเป็นคนสาธารณะเป็นที่เคารพเชิดชูบูชาทุกแห่งห น, นถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรักษาไม่หายรักษาไม่ดีขึ้นทำไมไปเอาไปหาหมอที่ดีกว่าทำไมไม่ช่วยกันดูแลทำไมมอบให้หมอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนีพวกเราจะรับไปไหมรับไม่ไหวนะเพราะนั้นรักษาเป็นทีมดีกว่า คือปรึกษากันในคณะสิทธุทุกคนหมอทุกคนเป็นสิทธิลูกหลานของหลวงตานะเป็นทุกสิทธิลูกหาหันหน้าเข้อหากันหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ค่อยปรึกษากันแล้วก็ให้ครูบาพระที่ดูแลอุปธรรมประทัดไก่ชิดท่านเป็นผู้ถวายยาพวกเราก็เป็นผู้แนะนําดนะูอยงนั้นผมพอว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกคน จะเป็นบุญเป็นกุศลต่อทุกคนอีกต่างหากนะจะเปลนไปได้นหะละวันนี้หลวงพอ่อคงจะได้เข้าไปฟังแนวคิดเห็นของคณะแพทยนะ์ไปคงจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยได้ยินมาท่านผู้ว่าก็จะมาแล้วก็พอโอโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็ขอนแกน่นคงจะเข้ามาเป็นทีมแพทยนะ์เป็นระดับเมล่อหลวงพ่อจัดงังไงเจ้าาก็จะได้ออกไป ไปฟังฟั ง, งแนวความคิดของลูกชิดลูกหาลูกลานเอาอยัางไองออกความคิดช่วยกันรักษาสุขภาพเพราะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอย่างที่หลวงพ่อพูดะนะพวกเราในฐานะผู้ประถมประถากดูแลใครๆก็อยากจะเข้าไปดูแลถึงจำยาไม่ดีก็อยากจะเข้าไปใกล้อยากจะเข้าไปดูแลผลนิบัตินั่นแหละความอยากตัวนี้แหละบางที คนทางนอกดูก็อยากไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนกับตัวเองไม่มีความสามารถแต่อยากจะปฏิบัติอย่างนั้นบางคนก็เออหลักการดีหลักการดีทุกอย่างการบางแผงดีทุกอย่างแต่พอลงมือปฏิบัติแล้วห่วยอันนี้ใช้ไม่ได้แต่ว่าหลักการไม่ดีหลักการพอเป็นไปได้พอเป็นแนวทางแต่ผู้ปฏิบัติเอาใจใส่ เข้มหดขวดขันดูแลตรวจตราสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอันนั้นจะดีกว่าดีกว่าหลักการแล้วไม่ทําตามหลักการคนห่วยอันนี้การดูแลอุปธรรมประทักถ้าเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราเลือกเฟ้นหาอุปถัมภเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศทำคําสอนมาหลายปี อายุของท่านก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องแก่ขึ้นเรื่อยๆพร อ, อายุแก่ขึ้นมาร่างกายก็ไม่เหมือนแต่ก่อนการเคลื่อนไหวการไปมาก็ลาบากขึ้นเรื่อยๆแต่นี้พระสงฆ์ก็ยังไม่มีผู้ใดอุปถัมภะถาอย่างชัดเจนในยุคสมัยนั้นบางทีบางครั้งก็มีสัมมเนน อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าบางครั้งก็มีพระองค์อื่นบ้างแต่ที่มีเรื่องเกิดขึ้นที่ชัดเจนในครั้งนั้นชื่อพระเมกียะพระเมกียะเป็นผู้อุปธรรมวัฒป์พระพุทธเจ้าเพราะยังไม่มีพระอานุนพระย อ, อ้นุนยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งเหมืนนั่และแล้วแต่สุดแท้แต่องค์ไหนจะเข้ามาปฏิบัตริรับบาตรรับจีวรล้างบาตรดูแล พระพุทธองค์คล้ายๆกัอยากจะได้บุญผัดเปลี่ยนเวียนกันอุปถัมภะถากดูแลแต่วันนั้นพระพุทธองค์ไปเทศนาที่อื่นไปในชนนบดพอมาท่านพระเมกียะนี่เป็นเพื่อนเป็นปัจฉาชมณะถ้าพูดตามนะคล้ายๆว่าเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าพระเมขียะเป็นพระหนุ่มพอ อุปถัมภะถาคในช่วงนั้นพอเทศนาว่าการจบแล้วพระองค์ก็จะเสด็จกลับกรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันตอนนี้พอเดินมาถึงระหว่างทางทางสองแพ่งพอมาถึงทางสองแพ่งพระเมฆคิยะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ากระผมขอลาพระองค์ขอลาพระพุทธเจ้าไปภาวนากระผมอยากจะไปภาวนานอยู่ที่สวนมะม่วง อนี่ทางไปสายนี้กับผมเป็นที่สงบสงัดดีนีเวศดีกับผมเคยไปปฏิบัติกับผมขอลาผมอยากจะไปภาวนาปฏิบัติที่นั่นกับผมจะภาวนาที่นั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยเมกียะเรามีกิุระที่จะต้องไปโปรดาาจตหาญาติโยมหรือว่ามีทุระที่กรุงสาวัตถีอยู่ไปกับเราก่อนก็ได้นะ ไปส่งเราก่อนถ้าเธอจะกลับมาค่อยกลับมาพระเมขียะเนี่ยก็ดันทูลังโอ้ถ้าไปกรุงสวรรถีก็ไกลเกินไปกับผมก็อยากจะไปเนี่ยมันอยู่ใกล้แล้วเนี่ยอ่ขอให้พระองค์ไปตามลําพังกับผมจะไปแยกภาวนาและจะตามไปที่หลังพูดถึงสองสามครั้งพระเมขียะก็ยังดันทูลังฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมขียะ เธอวางบริขารไว้ในทางสองแผงนั่นแหะวางไว้นั้นนะปนนนะะเธอไปได้พ่อเมฆียก็วางบริขารลงจุดนั้นจริงๆไงพอวางบริขารเสร็จแล้วพระเมฆียก็เดินทางไปแยกพระชพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าก็เอาบาตรขึ้นตะพายบนบาตแล้วก็เดินเข้ามากรุงสาวรรถีวัดป่าเชตตะวันพอมาถึงวัดป่าเชตตะวันเสร็จแล้ว พรเมขียะนั่นก็ไปภาวนาอยู่ได้วันเดียวเท่านั้นแหละพราะว่ามันเกิดพิตกกังวลขึ้นมาในใจเลยทําไมเราจึงขนาดนี้ทั้งที่เรามากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครเลยทําไมเราจึงใจดําขนาดนี้ทําไมเราจึงไม่ไปส่งพระพุทธเจ้าถึงที่ซะก่อนแล้วยังค่อยมาภาวนาพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้ไปส่งเราถึงที่ซะก่อนยังค่อยมาแล้วทําไมเราจึงดันทุลังขนาดนี้ พอมาแล้วก็มีแต่วิตกกังวลถึงจะไปภาวนาได้ยังไงทเออมันวิตกมันกังวลมันคิดถึงความเก่าว่าตัวเองทําไม่ถูกนะมันจะไปภาวนาให้จิตสงบได้ยังไงถีงเพราะนิสโลรายู่ได้วันสองวันก็เปิดแหนบมาหามกการ พ, รพุทธเจ้ามาขอโทษพระพุทธองค์บอกว่าโทษเราไม่มีไม่มีโทษเรอไม่มีโทษไม่มีอะไรหรอกเมขียะเรื่องมันผ่านแล้วก็ผ่านไปจบ เราไม่รับโทษเราไม่มีโทษเอเราไม่ให้มีอภัยโทษเพราะเราไม่มีโทษจะไปเกิดโทษได้ยังไงพอพเมรุขิยาก็จบเพียงแค่นั้นแปลว่าภาวนาไม่ได้ั้นเอไปอยู่ที่สวนมะม่วงไปภาวนาไม่ได้มันวิตกมันกังวลมันคิดมากถึงมันจะเป็นบ้าเอางั้นเถะพราะตัวเองทำไม่ถูกพระพุทธองค์ก็ได้ทําภายบาทมาถึงวัดป่าเชตวัน พอมาถึงวัดป่าเชตะวันแล้วก็พระองค์ก็ประชุมสงฆ์ทีเนี่ยประชุมสงฆ์ดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายมันมีเหตุเดี๋ยวนี้เราตถาคตก็มีอายุมากแล้วควรจะมีอุปถาคที่ชัดเจนอุปถากที่ดูแลไม่ใช่ว่าอุปถากเลื่อนลอยไม่ใช่อุปถากอย่างองค์ก็ต่างทำเพราะมันมีเหตุ เมกียะวางบริขารเราไว้ทางสี่เพ่งเราก็ได้เอาบริขารของเราตะภายบาทมาเองเมกียะก็แยกทางไปป่าศูนมะม่วงดูแล้วเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเมกียะมากรบเราสองคนได้แยกเราให้ออกมาตามลำพังเพราะนั้นพระสงฆ์มีความเห็นอย่างไรคณะสงฆ์มีความเห็นอย่างไงเพราะเราก็แก่แล้ว สมควรที่จะมีอุปถาที่ติดตามเป็นจิตจารลักษณะกว่านี้พระสงฆ์ตั้งหลายก็มีภาษาเรบุตรเป็นพระผู้ใหญ่ในที่ประชุมภาษาริบุตรพอได้ยินอย่างนั้นก็สลดใจโอ้ใช่จริงภาษาริบุตรก็นั่งคุกเข่าปนมมือขึ้นในถ้ำกลางสงบอกว่า ขอกราบพระพุทธองค์ข้าพระองค์สาบบุตรเป็นอัครสาวกด้านขวาเป็นพระเถเรซผู้ใหญ่ท่าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นลูกคนโต เ, เป็นลูกคนโตของพ่อเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อพ่อมีธุระมีความจําเป็นหรือว่าการดูแลเจ็บป่วยเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแลอุ ป, รรปถัมภ์บัถกทุกอย่างเพราะฉะนั้นกับผมรับหน้าที่นี้ รับหน้าที่ที่จะเป็นพระอุปถะภพระพุทธเจ้าตลอดไปพระเจ้าข่าพระพุทธองค์มาว่าอยาเลยสาริบุตรเพราะเธอก็มีหน้าที่แนะนาสัง่งสอนพุทธบริษัทในเมื่อเรามีอะไรเราก็จะได้บอกท่านให้ท่านเป็นผู้แนะนาสัง่งสอนแทนเราได้อยู่ให้เธอทำหน้าที่นั้นไปแต่หน้าที่นี้ให้คนอื่นทำเถอะให้องค์อื่นแต่นี้พอพระพุทธองค์ไม่อนุญาต พระสารีบุตรก็นั่งลงพระโมกคาลาเป็นอาฆาสาวกทางด้านซ้ายนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นอกีกว่าข้าพระองค์ในเมื่อพระพุทธองค์คือพี่ชายใหญ่คือสารีบุตรไม่สมควรทําหน้าที่นี้ได้เพราะจะต้องทําหน้าที่อย่างอื่นกระผมในฐานะน้องกระผมมีหน้าที่ที่จะดูแลพระพุทธองค์จะเป็นผู้อุปธรรมประทักรับบาดและจีวรทุกอย่างรับใช้พระองค์กระผมขอเป็นพุทธประทักตั้งแต่บัดนี้ไป พระุทธองค์บอกว่ายาเลยโมกคลาเธอก็ทำหน้าที่ของเธอแนะนำสั่งสอนช่วยเราก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้อง ด, ดูแลในอีกมุมหนึ่งเพราะนั้นยังไม่เหมาะสมที่ท่านจะมาเป็นพุทธอุปทาเป็นผู้ติดตามเรานอกจากนั้นก็มีท่านพระมหากศรศสปะอนุรุทธะมีพระเถระในพระวัดป่าเชตวันทั้ง4ี0ห้ารอยองค์แสดงความจำนงหมดว่างั้นเถอะ พระพุทธองค์ไม่รับเพราะพระพุทธองค์ปฏิเสธอย่างเคยปฏิเสธกับพระสาวกปทริสุก็ยังพระอานนุ์แต่พระอานุ์เนี่ยเฉยพระอานุ์เนี่ยโยมพ่อของพระอานนุ์กับพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสองพี่น้องกันนะอายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าอีต่างหากเป็นพี่น้องกันแต่พระอานุ์เนี่ยบวชเข้ามาแล้วท่านก็เฉยท่านก็ไม่ว่าอะไร องค์อื่นแสดงความจำนงเกือบหมดว่างั้นพระทั้งหลายก็บอกว่าท่านอา น, นุนท่านทำไมจึงไม่แสดงเป็นพุทธอุปถาพระพุทธเจ้าพานนท์บอกว่าให้องค์งอื่นแสดงความจำนงก่อนแต่ถ้าว่าข้ากับผมเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้เป็นพุทธอุปถาข้าพเจ้าจะขอพรประทานพร8ประการหรือ10ประการในหลวงพ่อก็จําไม่ชัดเจนว่างั้นเถะ นะฮะให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจะรับเป็นพุทธอุปถากต่นี้พระพุทธองค์ก็ได้ยินว่าพระอานนุ์จะขอพรเจ้าก่อนจึงจะเป็นพุทธอุปถาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประทานพรให้พระอานุ์จะไม่ขอเป็นพุทธอุปถาเพราะงั้นแหะถ้าพระองค์ประทานพรในแล้วจะเป็นพุทธอุปถาพระพุทธองค์ก็ถามว่าอา น, นุนพรที่เธอขอนั่นอนะ่ะมีอะไรบ้าง ป้าทูลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะให้ข้าพระองค์เป็นพุทธะอุปถากขอพระองค์จงประทานพรดังต่อไปนี้ให้แก่ข้าพระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่ประทานพรให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ขอเป็นพระพุทธะอุปถากอ้าวโพดูซิมีอะไรพระพุทธองค์ก็ถามพระอนุลก็กราบทูลว่าขอพระองค์อย่าให้อาหารอันปาณีดแก่ข้าพระองค์อ้าวทาไม เพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าเวลาลูกหลานเขายกขึ้นว่าพระอ น, นุลประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าอุปทานพระพุทธเจ้าเน่ะอยากกินอาหารดีเพราะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้กินแต่ของดีๆอย่างพวกนั้นอย่าประทานอาหารดีให้แก่ข่าพระองค์อือาวพูดไปอย่าให้จีวร อ, อันปราณีตแก่ข่าพระองค์เดี๋ยวเขาจะหาว่าพระอ น, นุลปฏิบัติพระพุทธเจ้าต้องการผ้าจีวรของใช้ดีๆ เออคือเอาพูดไปขอพระ อ, องค์อย่านาข้าพระ อ, องค์ไปในเวียงวังทําไมเพราะว่าคนสุดท้ายภายหลังเขาก็จะว่าพระอ น, นุปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยอยากมีหน้ามีตาอยากเข้าไปในเวียงในวังของพระเจ้าแผ่นดินในเมื่อคนทั้งหลายมาวัดป่าหรือว่ามากราบทูลขอพระพุทธเจ้าไปฉันพัฒนาหารในเวียงวังหรือในคฤหัสน์ของเขารือที่เขาเป็นเศรษฐี แต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ข้าพระองค์อยู่เห็นว่าอื่ึโยงคนนี้เป็นผู้มีศรัทธาเออก็ผมรับรับโยงอึเอาสมควรที่จะรับได้แต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับมาแล้วกับผมบอกวันนี้มีโยงมากราบนิมนต์ไปฉันในที่นิมนต์ในเมื่อกับผมรับแล้วกับผมถวายพระพุทธองค์ขอให้พระพุทธองค์รับนิมนต์นั้นไม่ให้ปฏิเสธ ทำไมเพราะว่าคนทั้งหลายมามถวายพระอนนต์แล้วเหมือนกับพระอนต์นไม่มีสิทธิ์อะไรเลยปฏิบัติอุปธรรมประถาปพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละมาอรัตนาแล้วพระองค์ก็ปฏิเสธจ้าเนี่ยอันนี้ใครคาว่าก็ผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเอออ้าวผูดไปเมื่อข้าพระองค์เนี่ยจุดนี้สำคัญเมื่อข้าพระองค์มีความข้องใจในธรรม คิดขึ้นมาเออบทธรรมข้อนี้ความหมายพอนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในสมัยนั้นวันนั้นวันนี้กับผู้นั้นคนนี้ได้มีความสงสัยในเมื่อข้าพเจ้าสงสัยในเวลากลางค่ําก็ดีกลางคืนก็ดี อ, อในเมื่อพระองค์เอกลับพักผ่อนอยู่ก็ดีขอให้ข้าพระองค์เข้าไปถามได้ทุกเวลาเ อ, อเอาพูดไปออแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างเหมือนกันนะ่ะ เออนักษณะอย่างนี้ละ่ะพูดแล้วเออเพราะนั้นพุทธองค์อเออเอาเราให้เราให้พอรอย่างที่ขอนั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระนรุนก็เลยได้เป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าเออเหมือนกับเงาตามองคว่างานนั้นแหละพระพุทธองค์ไปเห็นไปที่ไหนจะเห็นพระนรุ์ไปตามทุกครั้งอีกข้อหนึ่งข้อนี้ก็สําคัญข้อที่ว่าในเมื่อพระพุทธองค์ไปแสดงทำณสถานที่ต่างๆ ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ตามไปด้วยไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยแต่พระองค์ไปตามลำพังแต่เมื่อกลับมาแล้วขอให้พระองค์พูดให้ข้าพระองค์ฟังอีกแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังอีกว่าไปวันนี้ได้ไ ป, ปพบคนผู้นั้นผู้นี้และแสดงธรรมเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ให้แก่เขาฟังให้ขอให้พระองค์มาอธิบายหรือชี้แจงให้ข้าพระองค์ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าโปร ท่านอานุนรู้ไหมพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่เมืองนั้นน่ะท่านพูดกับคนคนนั้นน่ะเออท่านอานุน์รู้ไหมไม่รู้ครับเหมือนกับตกตกข่าว่างั้นแตอไม่เป็นผลนดีตกข้าพระองค์ที่ตามพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาเ น, นี่นี่แหละพระอานุนฉนลาดมากๆเลยองพอว่าน่ะเอพอพระองค์ก็เอาจากนั้นมาพระุทองค์ไปเทศในสถานที่ใดกลับมาก็ต้อง สายหนังรอบสองให้แก่พระอนุนฟังอีกว่างั้นแต่เ <c oughs> นี่นี่แหละสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าว่าพวกเราในฐานะสิทธิ์พวกเราก็ต้องพร้อมกันยื่นมือเข้ามาอุปรรถัมภะช่วยกันดูแลว่าจุดไหนที่มันมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอย่างพระสารีบุตรอย่างนี้ถึงท่านเป็นพระอครสาวก เป็นมีคนรู้จักทั่วทุกแห่งผลอย่างพระโมกขลายเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือพระมหากัจปะอย่างนี้อนุรุทธะเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่แต่ก็แสดงความจำนงที่จะดูแลอุปสมบทากพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นผู้ให้ธรรมะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนถือว่าเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกับพ่อแม่ของเราจะไปิทิ้งให้น้องคนนั้นพี่สาวคนนี้เป็นผู้ดูแลพ่อแม่อย่างเดียวไม่ถูกเพราะหัวจดเท้าของเราได้มาจากใครเนี่ได้มาจากพ่อแม่เป็นหน้าที่ของเราอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนท่านให้โอวาตท่านให้ธรรมะให้แนวความคิดแก่พวกเราเราได้ฟังได้ศึกษา เราจะไปให้องนั้นองนี้เป็นผู้ดูแลมันไม่ถูกเราคนหนึ่งจะต้องเข้าไปดูสิ่งไหนที่มันขาดตกปกห้องที่เราจะช่วยเหลือได้จะทำให้มันเต็มบริบูรณ์คือเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนต้องเคียงบาง่าเคียงไหลเนี่ยแหละอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแหะที่หลวงพ่อจะเข้าไปในวันนี้ก็เนี่ยจะต้องเป็นประสานความคิดทั้งหมอทั้งลูกศิษย์ลูกหาทุกมุทุกเหล่านะ เนี่ยที่มาร่วมประชุมหารือกันแต่ข่าวก่อนลงพ่อก็ได้พูดอย่างนี้นะข่าวก่อนลงตาก็ไม่สบายเมื่อสามสี่ปีให้หลังนะข่าวนั้นผู้ใดมาก็โอ้ลงตาครับยาของผมดีมากนี่ผสมใส่แก้วมาแล้วแก้ไอสังัดลงตาก็เติมเข้าไปครึ่งแก้วคนเอาโอ้ผมผมก็ดีเหมือนกันเลยเอามาเอาแก้วของที่ฉันก็ดีเหมือนกันลงต า, าแก้ว ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าหลวงตาดื่มยาเนี่ยหกแก้วนะท่านอาจารย์โอ้ไม่ได้หละยาหกแก้วนะอันจะเป็นยากลุ่มเดียวกันก็ไม่รู้เทเนี่กินยาอันเดียวกันหลวงตาไม่ใช่หนูตะเภาณนะพวกท่านทั้งหลายถึงจะรักหลวงตาขนาดไหนความรักนั่นแหละยามันไม่เข้าข้างนะกินเข้าไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยไดนะ้คำว่ายายคำนี้ํามันพอประมาณมันก็เป็นยา ถ้ามันเกินไปมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันเนะ่ยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเอาหลวงตาเป็นหนูตะเภานะีพวกเราท่านทั้งหลายนาว่าแน่นหลวงพ่อก็ได้พูดในวันนั้นในครั้งนั้นเหมือนกันแต่ในคราวนี้หลวงพ่อวันเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของพวกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนะ่ยจะต้องช่วยกันช่วยกันรักษาจนสุดความสามารถถึงยังไงรักษายังไงก็ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ ตายอ่ะเมันก็รักษาไม่ได้ใช่เอแต่รักษาให้ดีที่สุดอคือในหน้าที่ของเราจะทํำยังไงได้ต้องรักษาให้ดีเถ้าจะเป็นอะไรต่อไปอันนีค่อยว่ากันอีกชุดวิสัยแล้วนะไม่ใช่ว่าต่างคนกระต่งโยนต่างทิ้งให้กันอันนั้นไม่ถูกต้องนะเราเป็นลูกพ่อลูกแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่หลวงพ่อให้แนวความคิดวันนี้ก่อนเนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิด คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหน้าที่ของพวกเราให้ถือว่าเป็นหน้าที่อ่าไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเรานะงานนี้ก็เหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาเนี่ยเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเหมือนกันพ่าหลวงพ่อได้เข้าไปอบรมได้ไปศึกษากับท่านหลายปีเหมือนกันอันรับพรทีอ่อนุโมทนาให้พร